วันนี้ญาติโยมมาวัดด้วยสีหน้าแจ่มชื่นเบิกบานนะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอะไรนะอ่าหลายคนแจ่มใสเพราะว่าดีใจที่จะได้มาทําบุญโดยเพราะวันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่วันพระธรรมดาแต่เป็นวันออกพรรษาก็ถือว่ามาทําบุญในวันนี้นะก็จะได้บุญมากหลายคนนะ ยิมแย้มเพราะว่าลูกหลานได้กลับมาบ้านหลังจากที่ไปทำงานในเมืองห่างไกลบ้านมาหลายเดือนโดยพอช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงโควิดการเดินทางสัญจรกลับบ้านนี่ก็ลำบากแต่ตอนนี้โควิดก็เริ่มบรรเทาวบาบางลงแล้วก็ได้กลับมาเยี่ยมบ้านพบพ่อแม่พี่น้อง บันทีมาเจอลูกนะเพราะว่าเอาลูกฝากให้นะปู่หรือย่าตายายเลี้ยงนะก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้นะพบปะนะลูกหลานญาติพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะผู้คนก็เดินทางกลับบ้านกันราชการก็ประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดนะ เพอเชได้กลับมาบ้านมาทําบุญที่บ้าน แ, แล้วคนก็ดีใจนะเพราะว่าพอบรรษาแล้วก็จะรู้สึกว่าสบายเสิทีนะที่ลูกเชื่อเลกสุขเช่นนั้นเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าช่วงข้าบรรษานี่มันต้องเจอความยากลําบากยากลําบากที่ว่านี้ไม่ใช่ความยากลาบากของดินฟ้าอากาศนะแต่ว่าเป็น ความยังลำบากที่เกิดจากการรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยพอถึงวันหรือเทศกาลเข้าพรรษานี่เราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะต้องมาไม่ใช่แค่ทำบุญนะแต่ว่ามารักษาศีลมาประพฤติธรรมและหลายคนนี่ก็ตั้งใจว่านี่เข้าพรรษาก็จะงดเหล้างดอบายามุขหรือว่างดสิ่งเสพติด งดการทำตามกิเลสอย่างที่เคยทาบางคนก็งดกินข้าวเย็นพราถือศีลปดงดการดูหนังฟังเพลงงดการละเล่นอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีนะแต่หลายคนก็รู้สึกว่าแหมมันยากลำบากโดยเฉพาะคนที่ติดเหล้านะตั้งใจดีแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันต้อง สู้กับตัวเองมากก็เลยรู้สึกว่าช่วงเข้าพรนสานี้มันเป็นช่วงที่ลําบากเพราะฉะนั้นพอถึงวันออกพรรษานี่รู้สึกดีใจนะเพราะว่าจะได้สบายสักทีเอาความดีใจแบบนี้มันก็ยังไม่เคยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะทําดีนะมีความอดกั้นแต่ถ้าเราดีใจเพราะว่าต่อไปนี้ จะได้ทำอะไรตามใจสึกทีมันจะได้สบายสักทีแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็อาจจะกลายเป็นการกลับไปหากินเหล็กกลับไปหาสิ่งที่เป็นอบายมุก ค, คนที่รู้สึกว่าการเลิกเหล้านี่มันยากลำบากนะต้องทำต้องกัดฟันตลอดพรรษาพอพรรษาไปเนี่ยนะก็รู้สึกเลยนะเออต่อไ น, นี้ฉันกินเหล้าได้แล้วนะ เพราะว่าอ อ, อกพรรษาแล้วคนที่กินแบบนี้ก็มีเยอะนะหรือบางทีก็รู้สึกเก็บกดนะอดมาตลอดพรรษาพอถึงวันออกพรรษานี่ทันทีเลยนะตรงไปที่ร้านเหล้าเลยไปซื้อเหล้ามาแล้วก็แทนที่จะกินเล็กกินน้อยนะกินแบบเรียกว่าสว้ปามไปเลยนะเพราะว่าอดกั้นมานาน กินแบบชดเชยเมาทันทีเลยเมาแล้วก็ไปทะเลาะเบาแวงกับคนในบ้านกับเมียบ้างกับลูกบ้างบางทีกับพ่อกับแม่ด้วยซ้าถึงขั้นทำร้ายกันนะก็มีนะบางทีถึงตายเลยก็มีนะอุตสาหอดเล่ามาตลอดพรรษาแต่ว่ามาพราดท่าเสียีก็ตอนวันออกพรรษานี่แหละนะ นะกินเหล้าจนกระทั่งลืมเนือลืมตัวสุดท้ายนะแทนที่วันออกบรรษาจะเป็นวันดีก็ากลายเป็นวันแย่เพราะว่าไปทําร้ายคนอื่นหรือว่าตัวถูกคนอื่นทําร้ายถึงตายเพราะความเมามายหรือบางคนเนี่ยก็าจะรู้สึกว่าอมนะ่พ่อบรรษานี่ต้องถือศีลแปดต้องนะ่าจะทําแค่เฉพาะวันศีลแต่รู้สึกลําบากเหลือเกินนะ พอออกพรรษาเข้าก็เรียกว่าปล่อยตัวนะปล่อยใจเต็มที่กินไม่เลือกนะอันนี้ก็ไม่ดีนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะดีใจเนี่ยควรจะดีใจอีกแบบหนึ่งมากกว่านะไม่ใช่ดีใจเพราะว่าความยากลำบากหรือว่ากฎระเบียบที่แข่งขัดนะมันมากํากับพฤติกรรมของเรานะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นเฉพาะกับ คารวารนะน่าอาจจะเป็นกับคนที่เป็นพระด้วยออกพรรษาแล้วนี่จะได้สื่อหารลับเพศแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตตามกิเลสสีกทีแบบนี้มันไม่ดีนะดีใจแบบนี้มันไม่ดีเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความพลังพลาดพลั้งเผลอจนเกิดโทษได้ถ้าจะดีใจก็เพราะว่าได้ทำสิ่งที่ยากให้สาเร็จได้นะไม่ว่าจะเป็นโยมหรือเป็นพระคนที่เป็นโยมนี่ก็ กุซางดเล่าทำได้สำเร็จรู้สึกภาคภูมิใจบางคนตั้งใจว่าจะทำสมาธิภาวนานะเจริญสติทุกวันนะเช้าเย็นหรือเช้าค่ำแม้ว่าจะมีสิ่งมาชักชวนให้เลิกหรือว่าให้ย่อหย่อนแต่ก็ทำอย่างที่ตั้งใจจนสำเร็จหรือบางคนนะ ตั้งใจว่าเนี่ยในพรรษานี้จะออกกำลังกายให้เป็นประจำทุกวันหรือว่าจะงดอาหารนะงดอาหารเย็นนะเพื่อสุขภาพและเพื่อการเอาชนะกิเลสหรือว่าจะงดอาหารที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ดีนะต่อสุขภาพกว่าจะทำได้นี่ก็ยากแต่ทำได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจแบบนี้ดีนะดีใจแบบเนี้ย ก็คือว่าภูมิใจในสิ่งยากที่ทำได้สำเร็จเพราะว่ามันจะทำให้เกิดกำลังกำลังที่ว่านี่ไม่ใช่กาลังกายแต่เป็นกำลังใจในการที่จะทำสิ่งดีๆที่ลาบากที่ยากต่อไปในวันข้างหน้าได้เหมือนกับว่าทำแต้มมาไว้แล้วนะมันก็จะมีความมั่นใจในการทำสิ่งที่ยากอันนี้สำคัญนะรวมถึงยศพระที่มาบวชตลอดพรรษานะบางคนก็เป็นพระใหม่ นะตอนมาบวชนี่ก็มาอยู่ที่นี่ก็รู้สึกไม่แน่ใจแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็สามารถที่จะประคองตัวให้มาถึงวันนี้ได้และไม่ใช่ประคองตัวแบบถูลูดถูกกังนะแต่ว่าพยายามทําตามระเบียบอยู่ในพัทธรรมวิยัยมีการเจริญสติมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะแม้ว่าจะเบือ่อแม้ว่าจะขี้เกียจแต่ก็ทําบางคนนอนดึกตื่นสายแต่มาที่นี่นี่ ต้องตื่นเช้าก็เลยต้องนอนหัวคำ่ำมันยากนะแต่สุดท้ายก็ทำได้ภูมิใจนะว่าเราได้ทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ดีใจแบบนี้นี่ดีกว่าดีใจอย่างแรกนะและท้าดีก็ดีใจว่าเนี่ยเราเป็นคนใหม่แล้วหลังจากที่ได้มาปฏิบัติรมรักษาศีลเจริญสติภาวนาจากเดิมนะที่เป็นคนติดเหล้านะตอนนี้เรากลายเป็นคนที่เลิกเหล้าได้ นะบางคนก็เลิกเพราะว่าลูกมาขอร้องนะพอเลิกได้นี่โอ้เป็นที่รักเป็นที่เคารพนะของลูกๆนะลูกดีใจเห็นพ่อเห็นแม่เลิกเล่าได้นะหรือบางคนนี่ติดเกมนะติดเกมออนไลน์ตั้งใจว่าจะเลิกหรือว่าะละในช่วงข้าวพรรษาแล้วก็ทำได้นะจิตใจก็รู้สึกผ่องใสเบิกบาน เพราะว่าเอาชน ะ, ะกิเลสได้บางคนนี่ออกกำลังกายแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นบางค น, นคุมอาหาแล้วสุขภาพดีขึ้นหรือบางคนรู้สึกว่าใจสงบนะใจสงบขึ้นเพราะว่าได้เจริญสติทำสมาธิภาวนามีความ ม, วา ม, วมีความรู้สึกตัวมีความรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นนะไอ้ที่เคยจมอยู่ในความคิดตนเครียดจนกลัดกลุ่มนะ เราเป็นคนที่มักโกรธขี้โมโหอะไรมากระทบก็โกรธง่ายแต่ตอนนี้นะมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีสติมากขึ้นอย่างนี้เราเป็นคนใหม่นะทจริงเนี่ยเมื่อเราเข้าพรรษาเนี่ยออกพรรษาแล้วเราควรจะใหม่กว่าเดิมนะควรจะแตกต่างจากเดิมนะไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาอย่างไงออกพรรษาก็อย่างนั้นหรือบางทีหนักกว่าเดิม นะไม่ว่าจะเป็นพ่าหรือเป็นโยมเนี่ยเข้าบรรษาอย่างไรเนี่ยออกพรรษาเนี่ยควรจะเป็นคนที่ใหม่กว่าเดิมไม่ว่าในเรื่องของศีลในเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานะอย่างนี้แหละถึงจะเรียกว่าได้ประโยชน์จากการจำพรรษาถือว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนะขนาดหัวเผือกหัวมันนี่เดือนนี่มันยังโตนะโตใหญ่กว่าเดิมแล้วแล้วเราเนี่เป็นมนุษย์นะมีสติปัญญา รู้ผิดชอบชวดีแถมสมาทานพระรัตนตรัยเป็นสารณะเนี่ยแล้วเราจะไม่เป็นคนใหม่กว่าเดิมได้หรือนะสามเดือนเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่ปฏิบัติอย่างเข้มข้นในพรรษาควรจะใหม่กว่าเดิมและถ้าเราเป็นคนที่ใหม่กว่าเดิมได้ก็สมควรที่เราจะดีใจสมควรที่เราจะภาคภูมิใจถึงแม้ว่าออกพรรษาไปแล้วนะก็ต้องสึกหาลาเพศไปือต้องกลับบ้านไป ทำงานและผิดชอบในฐานะเป็นพ่อเป็นแม่และตรงนี้ก็กอยากจะย้ำเตือนเลยนะว่าออกพรรษาไปแล้วนี่นะก็อย่าให้เราออกจากธรรมแม้ว่าเข้าพรรษาสำหรับหลายคนเนี่ยคือการเข้าหาธรรมแต่ออกพรรษาแล้วนี่ก็อย่าออกจากธรรมอย่าทิ้งธรรมขอให้ธรรมขอให้นำธรรมะไปปฏิบัติต่อนะไม่ว่าจะเป็นศีล ไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือปัญญาไม่ว่าจะเป็นการควบคุมกายวาจาหรือว่าการฝึกฝนจิตใจในเมื่อออกบรรษาแล้วเรายังกินข้าวอยู่นะเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งธรรมเพราะว่าถ้าเราออกบรรษาแล้วเราเลิกเลิกกินข้าวนะก็ควรที่เราจะเลิกทิ้งธรรมทิ้งธรรมไม่ได้แต่ว่าออกบรรษาแล้วเรายังกินข้าวอยู่ ชั้นใดเนี่ยเราก็จะต้องประพฤติ ธ, ธรรมต่อเนื่องไปนะแม้ว่าจะเข้มงวดน้อยลงแต่ก็ยังตั้งใจมั่นคงอยู่ในพิธีธรรมเพราะว่าธรรมะนี่มันก็ไม่ต่างจากอาหารนะข้าวปลาที่เรากินมันบำรุงกายแต่ธรรมะนี่บำรุงบำรุงใจแล้วก็ช่วยรักษาใจนะให้ดีด้วยไม่ใช่แค่ให้มีความสุขแต่ยังช่วยทําให้เราผ่าน ผ่านพ้นความทุกข์ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้เราก็ไม่รู้นะว่าต่อไปเราจะเจออะไรข้างหน้าอาจจะเจอความทุกข์เจอความยากลาบากเจอความผันผว น, น, น, นไปในชีวิตเจอความสูญเสียพัดพราดเรื่องไร้ลยนก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้แต่ถ้าเรามีธรรมะนะมันก็ช่วยทําให้เราสามารถจะผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้นะรักษาใจไม่ให้ทุกข์แม้ว่าจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นซึ่งเป็นธรรมดาลโลกอย่างที่เราได้ฟังข่าว นะอยู่ทุกวันทุกวันให้เราน้อมใจนึกแบบนี้นะแล้วก็ให้เรารู้สึกได้ ว, ว่านะที่เรามาปฏิบัติทำได้ดีเนี่ยโดยเฉพาะที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็เพราะเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากญาติโยมอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะญาติโยมนะชาวบ้านใหม่ชาวบ้านกุดงงบ้านวางเข้ทํามาไฟนะที่ได้อุปถัมภ์บรุงดูแลพระชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติในวัด อันนี้รวมไถึงญาติโยมที่อื่นด้วยนะที่ส่งอาหารส่งปัจจัยนะส่งยานะส่งอะไรต่ออะไรมามากมายเพื่ออุปธรรมบํารุงผู้ปฏิบัติธรรมในวัดนะให้ได้เจริญก้าวหน้านะในการปฏิบัติก็ต้องขอบคุณนะถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีในปีนี้แต่ว่าการอุปธรรมบํารุงก็ยังไม่ขาดก็ขออนุมโมทนาด้วยนะนะที่สุดนี้ขอรัตนาคุณพระสิริรัตน์ไตรนะ อำนวยควให้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นญาติโยมที่มาอุปถัมภ์บำรงพระนะด้วยตัวเองก็ดีส่งทางไปชนีมาก็ดีรวมทั้งผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นฤๅษีหลอมทั้งผู้ที่เป็นแม่ครัวนะที่เป็นกําลังสําคัญในการดูแลวัดให้เป็นไปอย่างดีอย่างเรียบร้อยก็ขอให้บุญกุศลที่บําเพ็ญ น, นะ จงอำนวยให้ประสบความสุขคือเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานเศษภาวนาไว้ภัยไม่กำกลายอันตรายไม่แผ่ผหมานไม่รบกวนรังควานให้มีสติรักษาใจมีปัญญานำพาชีวิตให้ก้าวข้ามผ่านทุกข์ประสบสุขและความเกษมสาร มีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิน